สีเชียงใหม่ข้ามไปประเทศลาวนึประมาณสักสามสี่ประมาณห้าหกสบห้าหกิกิโลประมาณนี้นไม่น่าจะถึง ม, มันประมาณห้าสิบกิโลจากนั้นมาที่นี่นเพราะฉนั้นตรงที่เรามาสร้างศาลาหลังนี้เน่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ไม่มีที่ที่ไปที่มาก็คือมีที่ไปที่มาก็คือที่เป็นโบสเก่า เป็นสถานเป็นพุทธสถานเก่าเคยเป็นวัดเก่าอเพราะนั้นใครมาภาวนาตั้งใจภาวนานะอมีภูมิมลุกขะเทวด า, าคงจะมีเจ้าของเก่าแก่วัดของเขาเอคงจะมาเยี่ยมยามถามข่าวก็ไม่รู้นะครัตั้งใจภาวนานะใครมาภาวนาที่นี่นะแต่ก็ไม่ต้องกลัวหรอก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 ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็ได้ช่วยสร้างเจดีย์ของคุณแม่แล้วก็ซื้อที่ดินสร้างห้องน้องห้องน้องห้องน้องห้องน้งําอะไรหๆมากซื้อที่ดินก็หลายที่ที่วัดคุณแม่แต่แตามไม่จริงน่ยที่พวกเรามาอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยนะที่พวกเราได้รับความสะดวกสบายมีศาลามีอะไรขึ้นมานะี่ย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 ที่ถวายจะปัจจัยมาเพื่อสร้างวัดเนะี่ยพราะนั้นเพราะนั้นผู้เท่าดูกคุณแม่เนะี่ยทุ่มเทให้ปัจจัยของเราหลายเงินทีเดียวนะต่างกล้มต่างวาระที่สร้างวัดวาศาสานาขึ้นมาเนะี่ยแล้วก็ตระ ก, กูลขอหลวงคุณหมอเป็นสีคุณหมอเป็นหลักละรตระ ก, กูลของคุณหมอเนะี่ยช่ว ย, วยสร้างวัดของพวกเราที่พวกเราได้รับความสะดวกสบาย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 หลวงพ่อก็ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อมีปัญญานะแต่หลวงพ่อก็พาสร้างมาอย่างนี้แหละแต่ถ้าเขามีศักิยภาพอก็พร้อมที่จะดูแลวัดวาศาสนาต่อไปได้ด้วยความหมั่นขยันแต่ถึงอย่างไงก็ตามหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันคิดวางแผนเหมือนกัน <c oughs> วางแผนอย่างไงคือเราจะไม่สร้างท้าวรวัตถุไว้ให้มาก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 ก็ไม่รอดไม่หนาวอาหารการบริโภคก็พอเป็นไปหมู่พวกเพื่อนก็เข้าใจกันได้มีแนวความคิดอันเดียวกันเพื่อประกอบคุณงามความดีฝังหวังทางหวังผลทุกข์เท่านั้น เ, เรื่องทะเลาะวิวาทขัดแย้งกันถึงจะมีใค่อยู่ในใจเพราะว่าการทะเลาะวิวาทกันหรือว่าการทะเลาะวอกแย่งกัน มันไม่ดีอันนั้นเป็นมนลทินหรือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจของเราขุนหมัวได้ง่ายเพราะนั้นไม่รู้จะขัดเคืองไปเพื่ออะไรต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างกายตายต่างคนก็ต่างมาเกิดมาเกิดก็ใช้กรรมของใครของเราอีกต่างหากไม่ใช่ของใครไม่ใช่กรรมกรรมของตนเองกรืกรรมของเราต่อไปภายภาคหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ละคน